วันนี้เป็นวันพระใหญ่คือเป็นวันสิบห้าคำวันพระนี้มีวันพระใหญ่วันพระเล็กวันพระใหญ่ก็วันสิบห้าค่ำสิบสี่คาำวันที่เดือนพระจันทร์เต็มดวงหรือวันที่พระจันทร์ดับเต็มดวงคือมืดเต็มดวงเป็นวันที่ มีการกำหนดให้พระภิกษุลงประชุมฟังการสวดภาพปาิโมกสวดภาพปาิโมกนี้ก็คือสีน227ข้อของพระภิกษุวันนี้เลยช้าหน่อยเพราะหลังจากที่สวดเสร็จแล้วก็มีการปรึกษามีการประชุมกัน เพนานานๆจะได้ร่วมกันประชุมกันสักครั้งหนึ่งทุกสิบห้าวันพอดีมีผู้ใหญ่ที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสท่านมาร่วมประชุมด้วยท่านก็มาให้ข้อแนะนำมาให้ธรรมะเป็นเครื่อง เตือนใจให้อยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุขไปมาสายกว่าปกติถ้าเป็นวันพร้าใหญ่ก็มักจะสายเพราะมีกิจอย่างที่ว่านี้ถ้าเป็นวันพ้าเล็ ก, ก็จะไม่มีจะไม่ได้ลงปฏิโมชันเสร็จตอนเช้า 1ิบดโมงก็สิบเอ็ดโมงก็ขึ้นมาได้สิบเอ็ดโมงกว่าหรืออย่างช้าก็เที่ยงแต่วันนี้กว่าจะขึ้นมาได้ก็สองโมงกว่าเป็นเป่นที่เป็นไปตามวาระตามเหตุการณ์ ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนไปแต่ตดินฟ้าอากาศก็ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนไปเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแรงเดี๋ยวฝนตกเหตุการณ์ต่างๆที่เราอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงไป เดี๋ยวก็เปลี่ยนรัฐบาลเดี๋ยวก็เป็นประชาธิที่ปไตายเดี๋ยวก็เป็นระบบการปกครองด้วยทหารก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่ถ้าเราไม่ยึดไม่ตกิดกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือสภาวะใดสภาวะหนึ่งเราก็จะไม่ทุก แต่ถ้าเรามีการยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สภาวานั้นสภาวานีเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็จะไม่พอใจ <c oughs> เราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องรู้จักปรับใจให้เข้ากับเหตุการณ์ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะสุขหรือจะทุกข์จะเจริญหรือจะเสือ่อมมันเป็นภาวะของโลกที่เรามาอยู่ถ้าเราปรับเป็นเราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนถ้าเราปรับไม่เป็นเราก็จะเดือดร้อน แล้วเราก็จะพยายามไปปรับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราถ้าเราทําไม่ได้เราก็จะเดือดร้อนจะไม่สบายใจถ้าเราปรับรับกับเขาได้เราก็จะไม่เดือดร้อนไม่สบายใจการปรับใจเราเนี้มันดีกว่าการไปปรับสิ่งต่างๆให้มาถูกใจเรา เพราะมันยากลําบากกว่าการปรับใจแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยปรับใจนี้จะรู้สึกว่ายากกว่ารู้สึกว่าการปรับใจนี้จะยากกว่าการปรับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความพอใจเช่นเวลาร้อนก็ไปซื้อพัดลมมาไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาแทนที่จะปรับใจ ให้อยู่กับความร้อนถ้าปรับได้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับการที่จะต้องไปซื้อของต่างๆมาซื้อเครื่องปรับอากาศซื้อพัดลมซื้อมาแล้วก็ต้องดูแลรักษาเวลาเสียก็ต้องซ่อมพุทธศาสนาจชิงสอนให้เรามาปรับใจดีกว่าปรับใจนิ่ง ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องยุ่งกับอะไรถ้าปรับอย่างอื่นนี้มันต้องใช้อะไรหลายอย่างต้องใช้เงินในการที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆไปปรับสิ่งต่างๆเงินก็ไม่ใช่เป็นของที่จะเที่งแท้แน่นอนบางทีก็มามากบางทีก็มาน้อยบางทีก็ไม่มาบางทีก็หายไปถ้าไป ใช้เงินทองปรับสิ่งต่างๆให้เกิดกับให้พอใจให้เกิดความพอใจเวลาขาดเงินขาดทองขึ้นมาก็จะวุ่นวายจะทุกข์จะทรมานคือวิธีของนักปราชญ์วิธีของคนไม่ฉลาดคือคนโง่คนโง่งไม่รู้ว่า วิธีที่ถูกก็คือการปรับใจให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆพยายามที่จะไปปรับสิ่งต่างๆให้อยู่ให้พอพอกับความต้องการของใจซึ่งความต้องการของใจนี้ก็ไม่มีขอบมีเขตปรับได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พออยากจะปรับให้มัน ดีกว่านี้มากกว่านี้สบายกว่านี้สุขกว่านี้จนต่อไปไม่ต้องทำอะไรจะมีทุกอย่างมารับใช้มีหุ่นยนต์มีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่างๆตัวเองเลยกลายเป็นคนง่อยไปเป็นเหมือนคนพิการไปเวลาเครื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือชำรุด หรือไม่สามารถตอบสนองคำสั่งได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่วุ่นวายหรือเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทำอะไรตามคําสั่งได้เวลานั้นก็จะทุกข์ร่างกายนี้ก็จะมีวันที่จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆมีวันที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย มีวันที่จะต้องตายไปถ้าอาศัยร่างกายใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พอร่างกายไม่สามารถรับใช้ตามคำสั่งได้ตอนนั้นก็จะทุกข์ทรมานระพทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราอย่าไปปรับสิ่งภายนอก ให้ปรับภายในให้ปรับภายในให้ไม่ต้องการอะไรจากภายนอกให้ได้ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาใจนี้เราสามารถปรับให้มันอยู่ในสภาพที่รับกับเหตุการณ์ต่างๆได้หมดไม่ว่าจะเป็นการเจริญหรือเป็นการเสื่อมของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไถ้าสามารถปรับใจให้อยู่ในจุดที่ไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทั้งหลายใจมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่สามารถเข้าไปอยู่ไปยืนแล้วก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆ รวมทั้งร่างกายนี้ด้วยถ้าอยู่ในจุดที่ที่ไม่วุ่นวายไม่ไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายของคนอื่นตายก็ไม่เดือดร้อน ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองมีอันเป็นไปมีอันหมดไปก็ไม่เด๋ยวร้อนใจมีจุดยืดจุดหนึ่งที่สามารถที่จะยืนได้อย่างไม่สะทกสะทานไม่ไหวั่นไหวไดยืนอย่างมีความสุขยืนอย่างสาบายพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันตสาวกได้พบจุดยืนนั้นแล้ว ท่านเราท่านจะนมาสอนพวกเราให้ตับใจของเราให้เข้าสู่จุดยืนนั้นตอนนี้จุดยืนของใจอยู่ที่ร่างกายซึ่งเป็นจุดที่ไม่นิ่งจุดที่สั่นคลอนง่ายเหมือนยือนอยู่บนบนอะไรบนแพในน้ํายือนอยู่บนเรือเล็กๆในน้ํา มันจะคอยล้มอย่างเดียวไม่เหมือนกับยืนอยู่บนบกเวลายืนอยู่บนบกนี่พื้นดินมันมันไม่เคลื่อนไหวมันไม่ส่ายไปส่ายมาทำให้ยืนได้อย่างสบายแต่ถ้าไปยืนอยู่บนเรือนร็กๆเรือมันจะคอยจะขยับไปทางซ้ายทางขวา ยืนก็ยืนไม่มั่นจะไม่มั่นคงเผลอเผอดีไม่ดีก็ล้มลงตกน้าลงไปได้เรายืนอยู่บนร่างกายที่ไม่ที่ไม่เทียงแท้แน่นอนไม่ถาวรเรายืนอยู่บนลาบยกสะละเสริญสุขทางตาหูจะหมุนลิ้นกายที่ไม่มั่นคงมีการ เปลี่ยนไปเดี๋ยวว่าขยับไปทางซ้ายเดี๋ยวว่าขยับไปทางขวาเหมือนกับเรือเล็กๆที่เราเ ย, ยงอยู่ในน้ำํำนะมันก็จะมีแต่ทําให้เราล้มอยู่เเรื่อยๆแล้วเพิ่งลาบยศฉรเสริญเพิ่งตาหูจมูกมิ้งกายเพื่งรูปเสียงกลิ่นรดมันก็ทําให้เรามีขยับอล้มไปล้มมา เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจอันนี้แหละล้มไปล้มมาเวลาทุกอย่างเป็นไปตามใจอยากก็มีความสุขเวลาที่ไม่เป็นไปตามดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะของเหล่านี้มันเก่งไปเก่งมาเหมือนกับเรือเล็กๆที่เรายืนอยู่มันมันจะโค้งไปโค้งมา ทำให้เราล้มลงไปเรื่อยๆล้มลงไปพอลุกขึ้นมายืนได้เดี๋ยวก็ล้มลงไปเนี่ยคือสภาพของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราเอาใจของเราไปตั้งไว้อยู่เอาใจไปตั้งไว้กับอะไรก็ต้องล้มกับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่นิ่งสิ่งนั้นมันโครงไปโคงมาไปตั้งกับสามีตั้งกับภรรยา เดี๋ยวก็ล้มลงไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีเรื่องกันเดี๋ยวก็ปัดภาคจากกันเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือสิ่งต่างๆที่เราไปยืนหรือไปพึ่งก็ได้ไปอาศัยซึ่งมันพึ่งไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มันไม่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมเวลามันเปลี่ยนแต่ละครั้งก็เกิดความวุ่นวายใจตามมาเพราะเราไม่รู้จักจุดเยืนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดย็นของใจที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือความสงบของใจนี้เองถ้าก็าไปอยู่ในความสงบความนิ่งของใจได้ใจก็จะ ไม่มีวันล้มลงไปได้จะยืนอย่างสง่าถาเผยยืนอย่างสุขอย่างสบายไม่เครียดไม่วิวตกไม่วุ่นวายไม่กังวลไม่หวาดกลัวไม่ไม่อะไรทั้งนั้นเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจมันจะไม่มีเลยถ้าเข้าไปยืนอยู่ในจุดนั้นได้ ถ้าเข้าไปยืนอยู่ในจุดที่มั่นคงเหมือนยืนอยู่บนแผ่นดินครับต่างกันกับเหมือนเวลาเดินยืนอยู่บนเรกที่โคลงไปโคลงมาเวลายืนอยู่บนเรือที่โคลงไปโคลงมานี่มันก็จะทําให้เราล้มอยู่เรื่อยๆแต่เวลาเรายืนอยู่บนดินที่ไม่มีไม่โคลงไปโคลงมาเราก็จะยืนได้โดยที่ไม่ล้มลงไป ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายไม่ทุกข์กับอะไรไม่ล้มลงไปยืนเหมือนยืนอยู่บนแผ่นดินไม่ยืนอยู่บนเรือที่โครงไปโครงมาเราก็ต้องหาจุดยืนของใจนี้ให้เจอให้ได้วิธีที่จะหาจุดยืนนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ใช้สติสตินี้จะพาไปสู่จุดยืนที่ ที่แน่นหนาะมั่นคงใจจะเป็นเหมือนหินเวลาเข้าไปสู่จุดนั้นจะไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวกับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเลยนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์รากที่ได้พบความจริงอันนี้ได้พบจุดเยียนอันนี้ แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ใดปฏิบัติตามได้ก็จะได้เข้าถึงจุดยืนที่แน่นหนามั่นคงที่ไม่สั่นที่ไม่โครงไปโครงมาที่จะไม่ทำให้ใจต้องล้มลุกคุกคานอยู่เรื่อยๆปุคคลเหล่านั้นก็เรียกว่าพระอารหันตสาวก ตอนที่จะเป็นพระอาหารหันตสาวกก็เป็นเหมือนพวกเรายัางยึดติดยังพึ่งยังยืนอยู่บนลาบยศสรรเสริญยืนอยู่บนความสุขทางตาหูจมูกลื้นกายยืนอยู่บนร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็เลยล้มอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเสียอะไรไปทักอย่างก็ร้องหหม่้องไห้กันเสียเงนินเสียทองไป เสียตำแหน่งไปเสียสารเสริญไปเสียลูกเสียงกิ่นลดโพธิภพไปร่างกายแก่ล้มร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ล้มร่างกายตายก็ล้มคำว่าล้มก็คือใจล้มใจทุกข์ใจไม่สบายกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะใจไปเย็ยนบน สิ่งที่มันไม่เป็นปึกแผ่นไม่แน่นหนาะมั่นคงเหมือนกับแผ่นดินไปยืนอยู่บนเรือที่โคลงไปโคลงมามันก็เลยต้องล้มไปอยู่เรื่อยๆคลองไปทางซ้ายก็ล้มไปทีคลงมาทางขวาก็ล้มทีล้มอยู่ไปเรื่อยๆถ้าตาบด้ไม่ออกจากเรือแล้วไปยืนอยู่บนอยู่บนแผ่นดิน มันก็จะต้องล้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจของพวกเราก็อย่างนี้ถ้ายัางยืนอยู่บนราบยศสารเสริญอยู่บนรูปเสียงกิ่นรสโพธพะขนมนมเ น, มนยกาแฟของพวกนี้เนะี่ยมันมันทำให้เราต้องทุกข์เวลาไม่ได้กินมันไม่ได้ดูมันไม่ได้ฟังมัน เวลากินเวลาได้กินได้ดูมันก็สุขแต่มันจะได้กินได้ดูได้ฟังไปตลอดหรือมัมยมันต้องมีวันนึ่งแหละที่จะไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้ฟังเพราะตอนนั้นแหละมันถึงจะรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรถ้าไม่เชื่อลองหยุดกินดูสักวันลองหยุดกินหยุดดื่มของที่ไม่จำเป็นต้องกินไม่ไม่ต้องจาเป็นต้องดื่ม อย่างวันนี้วันพระเอาเลยมื้อเย็นนี่ไม่ต้องเอามัน1วันหนึ่งวันแล้วดูซิว่ามันทุกข์หรือมันสุขกันนะ่เคยกินเคยได้ความสุขจากมันทุกวันตอนเย็นถึงเวลาก็ได้กินวันนี้พระเจ้าบอกว่ามาเปลี่ยนที่ยืนกันสักวันหนะึ่งมายืนบนที่บนแผ่นดินอย่าไปยืนบนลูกเสียงกลิ่นรสพุทธพมายืนที่ความสงบกัน มายืนที่ใจมายืนที่สมาธิกันวันนี้ให้เราหยุดยืนหยุดยืนบนรูปเสียงกินลดพุทธพะข้าวเย็นไม่กินหนังไม่ดูเพลงไม่ฟังละครไม่ดูไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ร่วมหลับนอนกับ แฟนไม่นอนบนฟูกหนาะๆนะดูซิว่ามันทุกข์ไม่ทุกข์นั่นแหละเวลาไม่ได้เสบ ร, รูปเสียงกลินลดพภชภาพมันก็เหมือนกับคนไม่ได้เสพยาเสพติดดีๆนี่ของทุกอย่างที่เราเสพอยู่นี่มันเป็นยาเสพติดแต่เราไม่เรียกมันว่ายาเสพติดเพราะว่าทุกคนเสพกันก็เลยเรียกมันไม่ได้ ของบางอย่างที่มีแต่คนบางคนเสพคนส่วนใหญ่ไม่เสพเราก็ไปเรียกมันว่ายาเสพติดเช่นเฮโรอีนฝิ่นยาบงยาบ้ายามะอะไรต่างๆไม่ได้เสพคนทุกคนเราก็ไปเรียกมันว่าเป็นยาเสพติดส่วนถ้าของที่เสพคนทุกคนเราก็ไม่เรียกว่ายาเสพติดเป็นกาแฟนี้่ดืมกันทุกคน ก็ไม่เรียกว่ายาเสติกชาก็ไม่เรียกว่ายาเสติกเครื่องดืมชนิดต่างๆมันก็เป็นยาเสษติกเหมือนกันแต่ความรุนแรงมันอาจจะไม่เท่ากับยาเสติกงั้นถ้าอยากจะไม่ต้องมาล้มไม่ต้องมาทุกกับสิ่งต่างๆก็อย่าไปอาศัยสิ่งต่างๆ มาเป็นที่ให้ความสุขกับเราให้ให้อยู่หรือให้อาศัยสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพราะเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละชนิดมันก็ไม่ถาวรมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้ น, นลงลง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสียไปหมดไปก็ต้องหามาใหม่ร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก็ลาบากหาความสุขไม่ได้ตาไม่ดีก็ดูอะไรไม่ได้หูไม่ดีก็ฟังอะไรไม่ได้เรี่ยวแรงไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำอะไรไม่ได้ เหการณหลนี้มันต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เข็ดไม่จำพอหายแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมกลับไปใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนเดิมแม้แต่ตายไปก็ยังไม่เข็ดตายไปก็ยังกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่อุตตมะจ้าวจึงเห็นว่าสอน มนุษย์ให้ปล่อยวางของพวกนี้มันยากแสนยากในเบื้องต้นนี้ทรงตัดสินพระไทยไม่อยากจะสอนเพราะสอนอยังไงมันก็ไม่ฟังไม่เชื่อกันสอนให้เลิกเสบรูปเสียงกลิ่นรสปุถภะก็ไม่เอาเลยกลับจะหาว่าคนสอนบ้ามีแต่คนก็เสกกันมีแต่คนก็หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกัน หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญกันหาความสุขทางร่างกายกันแต่นี้เราบอกว่าไม่ให้หาน้อไปหาความสุขที่ไหนความสุขจากการนั่งหลับตาพุทโธพุทโธก็ไม่เห็นมันจะสุขนั่งนั่งไปแล้วพุทโธไปแล้วก็ไม่เห็นมันจะสุขเลยมันกลับจะมีความทุกข์มากไปซิเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าในเบื้องต้น ทรงท้อพระไทยไม่สามไม่อยากจะสอนใครพอมองไปเห็นพวกที่ติดกับลูกเสียงกิน่นนดลืมไปว่ามีคนบางคนบางกลุ่มที่เขาไม่เสริรลูกเสียงกิน่นนดก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนักบวชที่ต็่วิเวก สำรวมตาหูจมุกเลื่นกายไม่สวางหาความสุขผ่านทางตาหูจมุกเลื่นกายแต่สวางการความสุขจากการเพ่งจิตเพ่งใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อที่จะทำให้จิตสงบเย็นสบายเพื่อเพราะทรงเห็นว่ายังมีกลุ่มนี้อยู่ก็คิดว่ากลุ่มนี้น่าจะมีหวังที่จะสามารถสอนได้ สอนให้ตัดอย่างเด็ดขาดไปเลยสอนให้เลิกไปเลยสอนให้เห็นโทษของการอยากในความสุดแบบนี้พอไปสอนก็เลยมีคนเชื่อคนปฏิบัติตามแล้วก็สามารถยืนอยู่บนจุดที่ไม่ต้องอาศัยอะไรให้ความสุดได้เมื่อตัดความอยากที่เป็นตัวที่จะดึง ใจให้ออกจากจุดที่สุขที่สบายนี้คือความสงบนี้ต้องสอนว่าความอยากนี้เป็นตัวที่จะหนึ่งไปออกไปหาความทุกข์ไม่ใช่ออกไปหาความสุขให้ยืนอยู่บนจุดของความสงบนี้เพียงจุดเดียวเบื้องต้นก็ต้องหาจุดนี้ให้เจอฝันเมื่อเจอจุดนี้แล้วก็ รักษาไว้อย่าให้ความอยากมาฉุดลากออกไปหาความสุขในรูปแบบอื่นเพราะออกไปแล้วมันจะเสียสูงมันเหนยกับยืนอยู่บนบกแล้วดันลงลงไปยืนอยู่บนเรือเล็กๆที่โคงไปโคลงมายืนอยู่ตรงไหนจะสบายกว่ากันยืนอยู่บนบกหรือยืนอยู่บนเรือเล็กเรือทายเล็กๆ ฉันใดท่าใจของพวกเรายังต้องยืนอยู่บนราบยศสนเสริญยืนอยู่บนความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายอยู่ใจของเราก็จะต้องล้มไปล้มมาอยู่เรื่อยเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนเรือที่โคลงไปโคลงมาถ้าไม่มีอะไรจับเดี๋ยวก็ล้มตกน้ำลงไป <c oughs> ดังนั้น พวกเราควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามเข้าถึงจุดนี้ให้ได้ด้วยการเพ่งจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพ่งอยู่กับพุทโธกบพุทโธพุทโธไปเพ่งอยู่กับร่างกายก็ดูการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายให้อยู่กับการกระทำเพียงอย่างเดียว อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเวลาแปรงฟันก็จะท่องไปในใจก็ได้ว่าแปรงแปงแปรงแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันเพื่อที่จะหยุดจะให้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาแปรงฟันก็บอกแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันเวลาล้างหน้าหรล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าเวลากินก็กินกินกินปากเข้าบากเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเกินเกินเกิ ถ้ามันมันอยากจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเอาแบบนี้เลยไม่ให้มันมีช่องที่จะออกไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ได้ถ้ามันเพ่งอยู่จุดเดียวได้อยู่กับเรื่องเดียวได้เดี๋ยวมันก็สงบได้เวลานั่งก็ให้มันเพ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าไม่ชอบพุทธโธไม่ชอบบริกรรมพุทธโธก็เพ่งอยู่กับลมไม่ต้องพุทธเข้าโทออกดูลมเฉยๆไปเลย เวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปบังคับลมเช่นลมหยากจะไปบังคับให้มันละเอียดก็ไม่ต้องไปบังคับมันลมสั้นจะไปบังคับให้มันยาวก็ไม่ต้องไปบังคับมันเพราะการบังคับนี้จะทาให้จิต ไม่นิ่งไม่สงบเพราะจิตต้องทำงานจิตต้องไปบังคับร่างกายเราไม่ต้องการบังคับลมเราต้องการอาศัยลมเป็นที่ผูกใจท่านเองผูกใจไม่ให้ทำงานไม่ให้คิดปรุงแต่ง <c oughs> ถ้าใจไม่คิดปรุงแต่งได้ไม่นานมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่จุดยืนที่แน่นหนามั่นคงของใจได้ ติดยืนที่จะไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่หวั่นไหวกับการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่หวั่นไหวกับการเสื่อมของร่างกายไม่หวั่นไหวกับความแก่ไม่หวั่นไหวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่หวั่นไหวกับความตายพอรู้พบจุดนี้แล้วขั้นต่อไปก็พยายาม รักษาใจให้อยู่ในจุดนั้นใจจะออกจากจุดนั้นก็ต่อเมื่อมีความอยากมาเสนอเอากาแฟมาเสนอสนไหมกาแฟมาแล้วสนไหมพิซซ่ามาแล้วสนไหมขนมมาแล้วทั้งๆที่ยังไม่ถึงเวลากินถ้าจะกินง่ายมันกินเป็นเวลากินเหมือนกินยาไม่ได้กินด้วยความอยาก ถ้ากินแบบกินยาไม่ได้กินใยความอยากจิตมันก็ยังตั้งอยู่ในจุดนั้นอยู่ในจุดที่สงบอยู่มันจะออกจากจุดที่สงบก็ต่อเมื่อเกิดความอยากทั้งนั้นอยากไปให้มันอยากมันอยากก็ต้องฝืนมันอยากทำตามมันแล้วเดี๋ยวมันหมดแรงไปเองถ้าเราไม่ทำตามมันมันก็เหมือนการชักระเยอะกันถ้าเรา มีความแรงมากกว่ามันเดี๋ยวมันก็อ่อนแรงมันก็แพ้เรองเวลาสู้กันอะเวลานั้นเครียดเขาก็ดึงความอยากก็ดึงให้ออกจากความสงบอสติก็พยายามดึงหรือปัญญาก็พยายามดึงให้มันอยู่กับความนิ่ง น, นี้ต้องทดลองพลังกันกำลังกันฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็เอาใจไปถ้า กาแฟมีกำลังมากกว่ามันก็เดินใจไปหากาแฟถ้าสติปัญญามีกำลังมากกว่ามันก็จะเดึงใจให้อยู่กับความสงบถ้าตอถ้าชนะแล้วต่อไปก็จะชนะไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะไม่มีความอยากที่จะมาเดึงใจให้ออกจากความสงบนี้ถึงแม้จะไปทาอะไรก็ไม่ได้ทำด้วยความอยากมันก็ยังอยู่ในจุดของความสงบ เช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาาน์ไม่ว่าท่านทำอะไรท่านไม่ได้ทำด้วยความอยากท่านทำด้วยเหตุผลเช่นถึงเวลาดื่มน้ำก็ดื่มมันร่างกายมันหิวน้ำก็ต้องให้น้ำาอแต่ไม่ได้อยากดื่มน้ำก็น้ําฝ่าจริงๆไม่ใช่พอร่างกายอยากน้ำก็เลยเอากาแฟแถมแถมไปด้วย อ, อันี่มันก็มาแล้วอยากกาแฟออกมาแล้ว ถ้าออกมานี่เดี๋ยวมันก็ออกจากจุดของความไม่สงบถ้าเดี๋ยวก็ต้องทุกข์เพราะเดี๋ยวเวลาไม่มีกาแฟดื่มก็จะทุกข์แล้ว <c oughs> นี่แหละคือเรื่องที่พวกเราไม่ค่อยรู้กันถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาไม่ได้มาเจอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพบกับพระอรหันตสาวก จะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เพราะเรื่องราวเหล่านี้เป็นเหมือนเรื่องนึกลับแต่ความจริงมันก็เป็นเหมือนกับเส้นผมบางผูกขังนี่เเป็นของที่อยู่ในใจของเราแต่มองไม่เห็นไม่มองกันไม่เห็นโทษของความอยากกันกลับไปเห็นคุณของความอยากเวลาอยากแล้วโอ้ยินดีรับใช้ทันทีอยากจะได้อะไรบอกมาจะหาให้เลย ให้มองไปถึงเวลาที่หาไม่ได้แล้วเป็นยังไงหรือหาได้มาแล้วหายไปสูญไปหมดไปเป็นยังไงไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาเห็นว่าถ้าได้อะไรมาแล้วจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดพอมันไม่ให้ทีนี้ก็วุ่นวายใจ เนี่ยพระเจ้าถึงสอนให้มองทุกอย่างว่ามันเป็นอนิจจ์มันเปลี่ยนได้ให้ความสุขได้เดี๋ยวมันก็หมดไปได้อนัตตาก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้พอห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ก็ทุกข์ก็เลยถ้าไม่ให้แฟนทิ้งเราไปจากเราไปพอก็ทิ้งเราไปจากเราไปแล้วเป็นยังไงสุขหรือทุกข์ความจริงน่าจะสุขกับทุกข์ อยู่คนเดียวแสนจะสบายกลับไม่อยู่พอแฟนจากไปกับน้องหน้ง้องห้ายสิความจริงคนจะดีใจหมดภาระกันทีหมดห่วงกันทีไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาห่วงความห่วงนี้ก็เป็นทุกข์ความห่วงก็เป็นทุกข์พอไม่มีเขาแล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอ่า ความโง่มันจาร์ทำให้เรามองไม่เห็นเรากลับเห็นว่าไม่มีเขาแล้วเราวุ่นวายเราเดือดร้อนก็เลยต้องหาคนใหม่มาแทนแล้วก็มาหวงมาห่วงใหม่แล้วก็มาเดือดร้อนใหม่เวลาเขาหายไปเขาจากไปดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเปลี่ยนจุดยืนของเราอย่าไปยืนอยู่บนสิ่งที่ไม่ทิ่มแท้แน่นอน ไปยืนอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมบั ง, บงคับไม่ได้ให้ไปยืนอยู่ที่จุดที่แท่งแท้แน่นอนและเราควบคุมบั ง, บงคับได้นั่นคือสมาธิหรือความสงบของใจนี่้าไปยืนอยู่ในจุดนั้นแล้วพอมันจะออกจากจุดนั้นก็ใช้ปัญญาระงับมันสอนมันว่าอย่าออกออกไปแล้วมันจะทุกข์มันไม่สุข ก, กสุขเดี๋ยวเดีย ว, ยวสุขตอนไปใหม่ๆ เดี๋ยวมันก็ต้องทุกข์ถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยถ้ามีอะไรแล้วจะต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทุกข์กับสมบัติเข้าของเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งก็ต้องทุกข์กับมันเพราะมันไม่แน่นอนมันหมดได้ มันมาไดา้มันก็ไปได้เวลามาก็ดีใจเวลาไปก็ร้องโหย่ร้องไห้อันนี้แหละของจริงปรากฏให้เห็นชัดๆยังมองกันไม่เห็นยังมองกันไม่เข้าใจไม่เอามาสอนใจเตือนใจเวลาเห็นคนใหญ่คนโตตกกระป๋องลงมาเป็นยังไงที่ว่าเราไม่ตกกระป๋องบ้างหรังไง ทุกคนมันต้องตกเวลาเห็นคนเขาสูญเสียคู่รักเขาเราจะไม่สูญเสียบ้างหรือยังไงคิดให้ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ถาวร น, นะรางวัลหนึ่งจะต้องหมดนะจะหมดยังไงหมดอย่า ง, ไ ม, างไม่วุ่นวายใจยังหมดอย่างวุ่นวายใจถ้าจะไม่วุ่นวายใจก็ต้องกลับไปยืนอยู่ในจุด ที่แน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านต่อการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปวันนี้ก็คิดว่าจะไม่พูดมากเอาแค่นี้ขอให้ท่านนำเอาไปคิดพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์จุบที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา ขอข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวารฤวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิตูจินังเฟตานังอุ ป, ปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตซาพเพปุเรนตุจังกะปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพีิติโยววาจจันตุสัพพารุโควินาศสตุมาเตภวทวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีริสะนิจังวุธาปจายโน าทายาเกถามอะไรครับเอาถ่ายรูปถ้ายรูกไปทำอะไ ร, ะปปรลูกบรรดับความทุกข์ไม่ได้น ะ, ะเวลามีความทุกข์มองเห็นหน้าเราบรรดับไม่ได้นะ <laughs> I've been reading your book, okay, and um, okay. raising my mind just a few questions. Questions, really. Okay. You. you say that you know to be to e gain enlightenment, you have to, you know, more or less, you know, be what you are. It's more t h being in a t e m p l e in the b o t t o and things like that. And then I start to think a little bit more, you know. Mm -hmm. Maybe I might be wrong, I might not be. I don't know because I don't know. That's mm -hmm. why I'm asking you question. Mm -hmm. yeah. maybe, maybe I'll never ever in this life become enlightened, and maybe I won't become enlightened because of my karma from my, my, my last life. You see, now such as yourself, if you've brought all this good karma, and you've got where we are. We are uh, obviously, you know. You're gonna, you're gonna, well, you're enlightened now, aren't you? I suppose you see. But um, I don't think, I don't think, in this life, I never will be. You know. Now, so all, I, all I can do is is carry on practicing, doing, doing meditation, and doing good, and keeping t h precepts and everything. So I just, I just start. What do you think? What do you, do you think I'm right or I'm wrong? Well, there are people, other people. Who can become enlightened in this life? Yeah, but as it comes from the karma, from to be able to do so, as it as it c o m e from the karma from the previous lives. Not necessarily. Not right. necessarily. No. You can you can create the karma in this this you lifetime yeah. and become enlightened. It's very difficult, you see, because like you know, if, if somebody's if somebody's at this stage in this stage. Where I am now, you know. If somebody said, "You've got to give out, you've got to give your money away," what you need is motivation. See? Motivation, yeah. yeah. If you have yeah. motivation, then you can move mountains. That's right, yeah, obviously. So if you don't have motivation, then you won't mm -hmm. be able to do anything. Yeah. So you have to somehow develop this motivation. And It's only really one way to do it is to study the the teaching of the Buddha, That's mm. well, which I do keep, anyway. Keep know. studying, especially from those who are enlightened. Mm. Because, we well, have yeah, do. a s h a o do. a u a to u w have to b e c s w to do. c u e to do. u w have to d b a u e t b e a s t o u s e w a o c s w h a t b u s h a v t i a t u s w h a t u s e have t b a u s a t o s e e to u s h a to u e w o s w t do. b s t do. t b e s t o u o w b u t t w a s u s t a u e s t o s s t Is it from my past lives that's got me into, you know, this situation? No, you just got to, you just have somehow have to see that by following the Buddha's teaching will, will, will, we'll bring enlightenment to you. Mm -hmm. Somehow, sense. if if you can can cannot see that point, then you will still be doubtful. You will u n e you will underestimate your ability. Yeah, and, I'm not doubtful. Anyway, I am. I w o r r a doubtful, you know. But I thought the only way I can I can really get that answers off somebody like you, you know. No, yes. so I can go on again, and, and mm -hmm. I, I won't be doubt. I will not doubt again. You so. see. What What is it that I have that you don't have? We have the same thing. You well, have. Well, it's not. Well, it's it's the it's the mind, isn't it? It's not. You, me and you, we have the same. You see, but it's that it's t h t mind. And, and what, the, and what the, you lack is, I can tell you what you lack. It's the perception of imp of impermanence. Yeah. If you can somehow create this perception of impermanence in your heart, in your mind, then this will be the one that will drive you to yeah. to move forward. If you see that eventually you're gonna lose everything, oh yeah, w n o w t h e n what's the point of sticking with these things for? Yeah. Yeah. The yeah. Buddha saw himself that eventually he's gonna get old, he's gonna get sick, and he's gonna mm -hmm. die. So he said, "Man, right now I'm not old yet. I, I must well do something if I can. <laughs> so you're not old. You I'm know. older than you. <laughs> as long as you you can still breathe, you can still well, walk. It, yeah, yeah. You yeah. don't need anything. You don't need strength to to meditate. No. You just sit down and." You need the strength to stop your body from movement, from that's doing right. things. Not you don't need the strength to drive your body to move no. around. No, that's right. So no matter how old you are, you can meditate. No, you meditate can become anyways. enlightened. Mm -hmm. It's just that you are so used to your your, your ha habits of doing other things, and for you to find it to giving those habits are difficult. That's all. The meditations. It's no no problem at all. Obviously, u l t i m a t e y they were just that. They um, were just that. I'm not w a s t i n not, I'm not, wasting, not uh, wasting, wasting my time would be the wrong word, you know, definitely the wrong word. Mm. But I just thought to myself, is it? Have you got, have you got to live these previous lives to get here to become enlightened? Mm. Uh, uh, uh, uh, See, uh, not, but like you that you've just e x p l a i e you o u d Sit down and what you call uh, weigh your options, weigh your actions. Doing this, this is what I get. Doing this is what I get. Mm -hmm. Which is better, meditating or going taking photograph of pictures or going to movies? Meditation, yeah? yeah, okay. Then if you know that, then give up those things and mm -hmm. do meditation. See, t s a l it's a matter of simple logic. Knowing what you do, give you what will then decide, yeah, determine yeah. what you should be doing. See, you say do, working, getting money, you you have money to buy things. But what happened when you get all these things? Are you happier? Are you? Any happier, no. are you n you w know, while you meditate, you are more happier. You are more peaceful. Why don't you spend more time doing this? Right, yeah, so it's a matter of. Prioritize your your action. Mm hmm. Mm -hmm. You you T no, mm -hmm. <laughs> <laughs> <Okay, share> okay. ่านครั่านเขาไปบอกว่าทำไมไม่เอาไล่หรือเอาเงินยกให้คนอื่นให้หมดเลต้องทาตัวอย่างก่อนสิไปบอกคนอื่นเ้าทำไมตัวเองไม่ทาแล้วไปบอกคนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไปสอนเาาก็ผิดสิแม่ปูสอนลูกปูไงสอนให้ลูกปูโดนตรงๆแต่ดูแม่ก็เดินเฉไปเฉมา I'm not interested in anybody else. I'm yeah, really. oh. okay. okay, not interested in anybody else. Yeah, more more or less. Okay. Yeah, I'll read a bit more. Anything more? And people in Europe, why do they like? They t h like to r e e i t t h e y n o n e l i k e to r e e r t They d o n t like to r e e i t like e a e r y like t r e e y e r y like to r e They like to e e i t They o t like to e e i t They like to e e i t They e e i t They o t like to e e i t They o t k o t h t t h e i d e to t h e o l i t t h e a e t i e t h i i h a t e a l l e h i d People, you know, when the deep Buddhist can talk t behind all shouting, it's been in you and in mean all the Europeans. Right? <coughs> This is a l h e All Europeans. Oh, all human beings are not the same. It's about okay. Human nature. <coughs> they like to criticize other people, but they don't like to criticize themselves. Okay. If we all criticize ourselves, we will all be better off. Okay. Don't know. Okay. t h i lie. t o m h e o m e t h e y e i t s ก็เลยทำม า, ม, ามีหนังสือ<ช>อ่านมีหนังสือเล่มเล็กๆอ่านง่ายๆนี่นี่นเล่มสีเหลืองนี่<ๆ>เป็นหนังสือแบบธรรมะสั้นๆอ๋อค่ะไหนดีแท้แท้ค่ะดีดีทุกเล่มแต่มันมี<ๆ>เอาไปทุกเล่มเลยถ้าอยากจะศึกษาก็เอาไปทุกเล่มมันมี เหมือนแกงเผ็ดบ้างแกงจืดบ้างขนมบ้างเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีแต่แกงเผ็ดอย่างเดียวก็เหมือนเข้าเลยมาแนะนําให้ทําขมุนทำขนมบ้างต้องศึกษาเนอะถ้าไม่ศึกษาก็ยังจะไม่เข้าใจก็ไก่ขอสไทอ๋อจบข้ามกุศลสิบเ็ดโมงเสียเนยวันนี้ทำงานอย่างไหนหหน้าเป็น ไม่จ้างหลังเนี่ยท้องแจกไม่ได้ขายก็จะพยายามมาให้ด้วยทุกเดือน<อ>พวกเรามันถูกกลเลหลอกอ้างนู่นอ้างนี่กัน อ, อ้างว่าไม่มีบารมีไมไม่ได้ทำบุญม า, มากอ้างอย่างนี้มันก็จบสิมันก็ไม่ต้องไปเพราะมันกลัวมันเหมือนกับเวลาจะไปโรงพยาบาลนี่โอ้ยต้องหาเรื่องอ้างนู่นอ้างนี่ ตอนในที่สุดมันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันถึงจะไปใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวมันทนไม่ไหวแล้วมันพอเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมันถึงจะเข้าวัดกันถ้ายังไปเมืองนอกบาง น, นาได้ยังไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้ก็ผัดไว้ก่อนอวัดเอาไว้ที่หลังก่อนออปลายกระทั่งมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันถึงจะต้องไปวัดแล้วเนะี่ย <c oughs> ตอนนั้นก็ไปก็ไม่รู้จะทันหรือไม่ทันนะั่นแหละ เราไม่ไม่ไม่เห็นไม่มองอนาคตกันมองว่าันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันนะจะยังไงมันก็จะไม่ได้ทําอยู่ดีเวลาแก่มันเจ็บตายมันก็ไม่ได้ทําอยู่ดีสู้มาสมมุติว่าเราแก่ตอนนี้เจ็บตอนนี้แล้วมาเข้าวัดเลยไม่ดีกว่านะมาตอนที่เรายังแข็งแรงยังทําอะไรได้อยู่จะไปรอให้ตอนที่แก่เจ็บตายแล้วมาค่อยเข้าวัดมันก็สายไปใช่แล้ว ตอนนี้ก็สมมติว่าเราแก่แล้วเราเจ็บแล้วเราเราจะตายแล้วตอนนี้ออเย่ลองคิดอย่างนี้มันต้องมาแน่ๆนะแก่เจ็บตายเนี่ยมันมันไม่ผัดมันไม่มันไม่มันไม่ดอกลวงเราละมันมันไม่เป็นป้อนมันสัญญาอะไรมันจะมาหาเรามันมาแน่ๆเมื่อมันจะมาเราทําไมไม่ให้มันมาเสียแต่วันนี้เสียเลยไม่หมดเรื่องหมดราวไปยอมเป็นคนแก่เส้ยแต่วันนี้ เลือกเที่ยวสักทีเลือกหาความสุขทางร่ากายสัีมาถือศีลแปดมาปฏิบัติทํานันไม่ดีกว่าต <Okay. S 1> อนนี้ทําง่ายสะดวกสบายจะเดินจะลุกจะนั่งจะทําอะไร <Okay. S 1> ก็ไม่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไว้รอให้มันเจ็บสิกว่าปวดตรงนั้นเจ็บ <Okay. S 1> ตรงนี้น <Okay. S 1> จะทําอะไรส <Okay. S 1> ักอย่างก็ไม่ไหวแล้วพร <Okay. S 1> oh. ะเจถึงสอนให้เราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ <Okay. S 1> ให้มันคิดว่ามันจะต้องมานี่แน่ เราอยากให้มันมาตอนนั้นให้มันมาตอนนี้เลยทําตอนนี้ทําก่อนที่มันจะมาเวลามันมาแล้วมันจะเป็นอุปสรรคเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอมาอยู่วันได้สองวันก็ออกไปหาหมอองแล้วบาทีก็อดอาหารเย็นไม่ได้หมอให้กินยากินยาก็ต้องกินข้าวเย็นก่อนถ<ร>ึงจะกินออมันก็ไปหมดแหละยงปวดวันใช่ไหมคะก็แต่ออกเสียงยาต่าง คือสะพานฟันนะคะตะโคสะพานนี่มันไม่มีมานานแลัวจริงๆมันก็ไม่สบายก็ยังไงก็ต้องมาแล้วต้องอยู่ไมคพบไม่ไม่ออกไปก็ได้ฝากให้เขาซื้อยา่าเพิ่มดีต้องมีสัจจะต้องมีสัจจะอธิษฐานแล้วต้องมีสัจจะตั้งใจจะทําอะไรแล้วต้องต้องทําให้ได้อย่าปิ้นก้อนอย่าหลอกตัวเอง เวลาตั้งโอ้ตั้งใจดีปีนี้จะท<ด>ํายุ่นทนํานี่วันขึ้นปีใหม่นี่เราไม่ได้จะเลิกนู่นเรื่องนี่เพอสองวันก็เลยไม่หมดแล้ะตั้งใจไว้สิบอย่างมันจะได้สักสองอย่างเปล่าบางครั้งเออเ <c oughs> นั่นถ้าไม่มั่นใจไม่มีสัจจาอย่าไปตั้งมันดีกว่า <c oughs> ถ้าตั้งแล้วก็ต้องทําให้ได้เอาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องหลายอย่างคว้า <c oughs> มันได้สักอย่างดีกว่าตั้งสิบอย่างแล้วไม่ได้สักอย่าง <c oughs> มันหลอกตั้งให้โกโก้ให้รู้สึกสบายเะไรไหมคุณหมออาจารย์หมอ ต, อ, ต, อ, ตอนนี้ก็มีสติเร็วขึ้นแล้วคากิเลสมาตัวจับค้างๆทันเลยคับไม่ทันหลอกมัน <c oughs> หลอกเราต้องตลอดยีบสีชั่วโมงเลม่ถึงบ้านแรงๆแล้วด้วยอ๋อโดยแรงๆ <c oughs> <c oughs> ให้ตัวไม่แรงแตตัวละเอียดนี่ยังหลุดอยู่ตลอดมันหลอกเราแล้วก็ปฏิบัติที่บ้าน สามีก็ตัดทิ้งไปแล้วนี่ก็กิเลสอีกตัวหนึ่ง oh. <c oughs> มองไม่เห็นเลยพอเป็นส <c oughs> ามีแล้วไม่เป็นกิเลสไปเลยก็กิเลสเนี่ยทาให้เรามีสามีไม่ใช่ไหม้อ oh. uh. ใจเด็ดนะต้องศึกษาเนี่ยกิเลสจริงๆมันมีอะไรบ้างมันรอบตัวเราตลอดเวล า, าลัดตัวเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ย <c oughs> แล้วเราไปบอกว่ารู้ทันกิเลสนะแล้วฟังแล้วมันคขำ ถ้ารู้ทางกิเลสมันก็ต้องมาโกลนหัวนุ่งขาวหงเขาวอยู่นี่แล้วแหละมึงจาอะไรกกูกูตัดมงหมดเลย <laughs> ใช่นะ่ะถึงก็รู้ทันจริงไงวันแรกนะที่ไปกราบหงตาบัวก็คุยกับพี่เป็นสวัสด์ใกล้ๆอย่างเงี้ยบอกว่าหนูรู้สึกว่านหนูไม่มีกิเลสนะแต่ <laughs> ละท่านดวงตาอยู่กายมาสมควร น, นะโอ๊ย พอแล้วนี่มันโง่นะจนกิเลสมันโง่มากไปถึงไหนแล้วออบองว่าไม่มีกิเลสหนูสะดุ้งเลยหมอสะดุ้งเกือกเลยนั่นแหละน่ากลัวนะครับนคนเอามาบวชยังยังมีกิเลสแล้วแล้วคนไม่บวชนี่มันจะไม่มีกิเลสได้ยังไงออกตัวเองพวกที่ปฏิบัติบอาไม่ต้องบวชก็ได้บรรลุได้น ส่วนใหญ่คนที่เขาบรรลุแล้วเขาบวชกันทั้งนั้นอนะ่ะในสมัยพุทธกาลไปอ่านประวัติของแต่ละคนดูเลยอนเป็นคารวาสพอฟังเทศฟังธรรมพอบรรลุปั ก, ก็ขอพระพุทธเจ้าบวชทนะั้งนั้นไอพวกบรรลุแล้วไม่บวชนี่มันบรรลุไม่รู้ ม, รมันบรรลุแบบไหนกันบนรรลุแบบกิเลสมั้งฟังคีรินมณฑสูตรนะคะับก็ชัดเจนในนั้นเลยว่าต้องออกมาแหละ นี่ไม่ได้ไม่ได้บอกให้ออกมาหรอกเพียงแต่เพียงแต่เพียงแต่ว่าหมอไม่มีรู้ทันกี่เลนแล้วก็เลยอดที่จะไม่ถึงอดที่จะแย้งไม่ได้รู้ทันมากกว่าขาวที่แล้วมากลับมาท้องกันไม่ได้ดูในห้องหมอที่มาไม่ถึงว่าเทียบเทียบครั้งกับครั้งอ๋อใช่ไหมล่ะรู้รู้ทันแล้วรู้ทันในแง่ที่ยุนมันได้เปล่าเลิกมันได้เปล่าก็คือรู้ทันในแง่แง่ที่ว่าเราเราไม่ตอบโต้แล้วเราเห็นนะเราต้อง อย่างวันนั้นน่ะจะจะออกมาทําบุญนั่นแหละเสร้วสามีาก็ส่งเสียงไม่พอใจแล้วเราก็หยุดฟังอนะฮะ <ứng> ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะต้องโต้กลับไปแล้วะแต่ว่านั่นนาทีนั้นเนี่ยก็ทันนะฮะทันเห็นจิต ท, ที่แกว่งแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้เขาค ง, งงงเหมือนกันด้วยออ แ, แก็เฉยเฉยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จะไปก็จะไปอ่ๆๆๆะอืแต่ก็ไม่ได้แสดงโกรธตอะะอะไรค่ะถ้าจะเป็นเมื่อก่อนก็คงจะ ส่งเสียงไม่ดีกลับไปด้วยคิดว่าเขากคงต้องดูเราว่าเราบอกว่าเรามากราบครูบาอาจารย์แล้วเรากลับไปแล้วเราคุมตัวเองได้ไหมมากกว่าที่จะไปวุ่นวายชาวบ้านเขาก็มองตัวเองก็นี่เขเป็นช่องโหว่เขาว่าเราใช่ไหนบอกปฏิบัติธรรมนั่นนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะท่านเลยรู้สึกในตรงนี้ค่ะว่าไม่ไม่เป็นลูกหลานใครแล้วก็คนไทยเด็ดค่ะสามีคนไทยอ๋อคนไทยนี่ยคนไ เขาก็เป็นคนดีอค่ะแต่ว่าเพียงแต่เขานี่ยังไม่เห็นทุกข์ของการเยืนบ้าตายเกิดแต่ตั้งกราบขอเพราะคุณคุณบาอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าหล้งแต่ตั้งแต่มากราบเนี่ยก็ก็เห็นว่าได้ได้ข้อปัจุบันแล้วก็มาหาคุณบาอาจารย์เป็นระยะเจ้าค่ะมันมาส่งกันบ้างในความรู้สึกเจ้าค่ะ การบ้านของเราเวลาเราดูลูกศิษย์มาส่งการบ้านเราดูที่ไหนรู้ป่ะเราดูที่ทรงผมผมมันสั้นลงรึป่าวถาไมมีผมเลยยิ่งสจยังไม่ถึงดนั่นสิถึบอกเราดูการบ้านตรงนั้นเหรอล้วไมีต้องปบัติธต้งปบัติี้ มีบนนี้กบมีคุณผู้ชคือบนนี้ก็เป็นของที่อยู่ของพระของคารวะก็ต้องไปหาที่อยู่กันเองหรือมีบ้านของป่าไม้เขาให้อยู่ได้ที่พี่ปกบ้าสร้างแต่ก็ต้องไปปฏิบัติเองไม่มีใครมากำกับต้องอินดิเพนเดนต์ละเหมือนกับเรียนออนไลน์เนคนเดียวคือไปปฏิบัติแล้วอาศัยสถานที่ปฏิบัติเรา เขามีที่ที่มันสงบไม่วุ่นวายไม่มีอะไรม า, าสร้างความกระทบกับจิตใจแต่เราต้องเป็นตัวผู้ที่จะปฏิบัติดึงใจให้เข้าไปสู่จุดของความสงบให้ได้เป้าหมายกันการออกมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่คนเดียวนี้เพื่อจะดึงใจให้เข้าสู่จุดที่มันสงบที่สุดถ้ามันเข้าจุดนั้นแล้วมันสบาย อะไรเกิดขึ้นมัไม่เดือดร้อนจริงๆไม่เดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่เดือดร้อนหิวโค้งหิวข้าวไม่เดือดร้อนอย่าว่าแต่ไม่ได้ดูหนังฟังเพลงลอะไรเจ็บ่ายได้ป่วยอะไรรุนแรงกับร่างกายมันไม่เดือดร้อนพยายามปฏิบัติกันนะ เ, เข้าหาจุดนั้นให้ได้ถ้าเข้าจุดนั้นได้ก็ต้องปล่อยจุดที่เรากําลังยืนอยู่ค่อนต อ, อนนี้เรายืนอยู่บนลูกเสียงกลิ่นรถต้องปล่อยมัน ต้องพยายามตัดมันยังยือดอยู่กับการหาลาบยศสัรเสน่หก็ต้องตัดมันยังยืน อ, อยู่บนความสวยความงานของร่างกายก็ต้องตัดไปไว้เป็นหัวโลนแต่ละเนื่อยไหมปสบายจะตายเลยอาน้ำก็ไม่ต้องหวีเผ่าหวีผมไม่ต้องสะไม่ต้องเช็ดตดตรงนี้ไม่ได้ แล้วมันสวยที่ไหนคนเราสวยที่ไหนจริงๆมันสวยที่กายและสวยที่ใจหน้าตาสวยแต่ไม่มีศีลธรรมนี้มันสวย looking from foreign point of a ไหมท e ยเ t ็นคน i a ่สว t มา a There's more temples in Pattaya and more places to go for advice. Right? You no, know, there is in all of England, and that's just in Pattaya. I think in England there may be maybe 10 or 15 t e m p l e s You know, mm -hmm. and that's all all of England. Uh, in Pattaya, I don't know how I many, yeah, but you're certainly more than ten. Mm -hmm. And uh, so Thai people are very, very lucky. Lots well, of Thai people. They don't realise it, and they don't they don't come to the temples. They don't, you know. Mm -hmm. And to me, they, they're missing a really, really, really good opportunity. You see, it's an opportunity in this life that they've got, and they throw it away. You see, and over there in in Europe, mm -hmm. they're wandering around, and they they mm have -hmm. no mm -hmm. clue what's really happening. That you yeah, know, then. You know that's why that's why you get a lot of Europeans. You know, they, they, they get very angry and drinking and smoking. And they don't think right. Their minds are all over the place. Mm -hmm. Mm -hmm. Yet here, in yet here, especially I don't know about a l k town. I'm not looking t h a r e But you know, here, h you. you get a lot, there's a lot of there's a lot of Thai people. And God Almighty, they're really, really, really. Not nice people at all. You see, where do you have the opportunity? Where they could be, they just throw it away. <coughs> <coughs> people are not calm. p น o p l e are not calm. Is that right? Is that r i g ง t Is that right? Is that right? Is that right? Is that r ก g h t Is ม h a t ่ i g h t Is that r i a right? t h a s a t r t h a r i s s that i g t i a r t h s a t h r s s i t r Good and bad in every mm -hmm. races, every nationality. Yeah. Yeah, so <coughs> the Buddha said, just avoid the bad people and try to associate with just the good people. The t h of l e d to come, we don't get better. People don't come, we don't get w e d t c r y o u t ourselves. in and t แล้วนะมีอะไรอีกไหมลองไปอ่านดูไปฟังดูนะคะล้วคิดดูสิว่าจะทำตามที่ได้อ่านได้ฟังได้ก็ได้เออใช่นั้นนี่มีเยอะเขาเลี้ยงไว้แล้วเขากวางเลี้ยง สีแปลกนะคะสีเทาๆแปลงพันแถวนี้เขาเป็นอย่างนี้อ๋อพันแวนี้เป็นี้แลเข้ามาแๆบ้านค่เาเามีโครงการผสมพันธุ์แล้วปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาตินีเป็นร้อยนะมันจะออกมาตอนคืนส่วนใหญ่มันจะเอามากอากาศเย็นคือเขาเอาพ่อพันแม่พันมาผสม แล้วพอออกมาลูกมาเขาก็เลี้ยงไว้ในทอบระยะหนึ่งก่อนพอเขาโตช่วยๆัน่อยเขาก็ไปให้เขาหากินเองพันธุ์นี้จะใหญ่เหมือนคนนี่เลยก็นั่นแหะมันมีหลายขนาดไงมันมีหลายขนาดเลยเล็กก็มีใหญ่ก็มีมันมีหลายพันธุ์ด้วยมีเก้งมีกวางมีมะม่วงอะไรเขามีชื่อต่างกันขนาดสวยดียังขายเยอะ้ยตอนคืนจะออกมาเยอะทัมุนี่กี่ไล่นะคะ ประมาณสองพันไรทั้งเขาเนี่ยทั้งเขประมาณสองพัน่มันอยู่กี่วันได้กี่วันได้แค่ได้แค่เจ็วันแต่ทั้งหมดนี่ได้ประมาณสิบแปดวันเพราะว่าเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่ได้สิห้าวันไม่สามวไม่สิบวันเราะข้วมโบราณดินกที่จะเดินทามานี่คิดว่าดีไหมที่ที่ดีไห้ดีนะสับสนยามาก อยากจะเรียนถามท่ยานผูจารว่าถ้าราเดินชมกลมต่อไปคืนเนนะคะรอบล่างจะ ม, มีอันรามค <c oughs> รับก็สังเกตุไม่น่าจะมีมถ้าอยู่ในป่าอันตรายจากสัตว์นี่มันเป็นอันตรายแฝง <c oughs> คือเราคิดไปเองแต่ที่น่ากลัวคืออันตรายคนนี่ <c oughs> แต่ถ้าไม่มีค น, น, นก็ไม่ต้องกังวลสัตว์มันจะไม่เป็นสัตว์ที่จะมามา <c oughs> บวกทำร้ายเราหรอก มันเห็นเรามันจะกลัวหนีเราใช่ไหมกว่าใช่ค่ะวันนี้เขาก็จ้องตาเราตอนเราขยับเขาก็จะไปใช่ไม่ต้องกังวลถ้าเป็นสัตว์นะคงไม่มีหรอกเพราะมันมันปลอดภัยมันมีเจ้าหน้าที่มีรั้วมีอะไรพวบกนี้จะเดินเข้าไปได้กระดาษไปเดินไปดูได้มันเป็นกุฏิพระเนี่ยมันไม่ไปไม่ได้ข้างล่างเห็นกระไดาษเปนใยเป็นชาห้าใช่ไหนั่นแหละเป็นแถวนี้มันที่อยู่ของพระหมด อาญาโยมมาได้ทช่บริเวณนี้เท่นอแ่ข้างล่างนี้อะไรคะต้องต้องไปถามป่าไม้เขาเราไม่รู้